มาคาวะการคารวะหรือการขมาคารวะหรือว่าปีหนึ่งหนึ่งได้ทำกันครั้งหนึ่งบางทีได้มีบาปได้คิดบาปได้พูดบาปได้แสดงกิริยาบาปทางกาย ออไอ้เรื่องทางความคิดเนี่ยมันละเอียดบางทีไม่รู้ว่าเราคิดเป็นบาปเป็น อ, อกุศลเพราะนันปีหนึ่งๆทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีกราบขอขอมาลาโทษขออโหสิกรรมมันเป็นกิริยาเป็นสามีกิกรรม ที่ทาแสดงออกโดยสมมุติมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้ถือเป็นแบบอย่างเป็นก <c oughs> ิริยาที่แสดงออกให้เป็นปรูปธรรมมองเห็นด้วยกิริยาการกระทาทางกายมีการกราบการไหว้การ ถาวายเครื่องสกระเ <c> พ <oughs> ื่อให้รู้ทางกายทางวัตถุแล้วก็ส่วนสำคัญทางจิตใจนั่นแหละเพราะเหตุที่ให้เกิดบาปทางกายทางวจจ า, า, าจานออกมาจากใจ ว่าใจเป็นมหาฐานเป็นฐานนี่เป็นที่เกิดของบาปเละบุญกุศลหรืออกุศลอาจารย์ให้มันลงให้มันลงที่ใจให้มันลงที่ใจให้มันเห็นโทษของความไม่สารวมเห็นโทษของความคิด เป็นบาปความกล่าวเป็นบาปกิริยาทางกายเป็นบาปเห็นคุณของการยกโทษการให้อภัยนี่แหละเมื่อมันลงถึงจิตถึงใจเรงว่าเป็นการเป็นการให้อภัยยโทษอันแท้จริงเป็นเรื่องของใจ เมื่อต่างท่านแต่งทั้งสองฝ่ายให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็ น, นเรียกว่าหมดโทษโทษท้งกายทั้งวาจาทางใจแต่ต่อ น, นั้นไปก็ตั้งใจ ปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจให้เป็นธรรมสำคัญอย่างยิ่งจากมหาเหตุก็คือทางใจทางใจท่านจึงให้ ใช้สติปัญญาใช่สติปัญญาควบคุมใจใช้สติสมาธิควบคุมใจรอบรู้ใจอบรมใจอบรมใจด้วยสติปัญญาควบคุมใจด้วยสติสมาธิ ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติเมื่อทำสมาธิให้เกิดเป็นความตั้งมั่นของใจทำปัญญาให้รู้เหตุรู้ผลรอบรู้มันก็จะควบคุมกายควบคุมวาจา เพราะว่ากิริยาทางกายทางวาจามันเป็นมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกสติสตินี่เป็นศีลศีละสังวรเมื่อสติมีความตั้งใจมีความระลึกรู้ ให้เป็นคู่ข้องใจต่อเนื่องกันก็เรียกว่าเป็นขอบเขตขอบกั้นทำให้เป็นสมาธิตั้งมั่นวราด้นความตั้งใจหรือศรัทธาอีกอันหนึ่งศรัทธามีความเชื่อในการประพฤติปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นมีความเชื่อในการฝึกฝนอบรมกายกจิตของเรา <c oughs> เพื่อให้เข้าสู่ความเป็นธรรม <c oughs> เข้าสู่ความมีสติสมบูรณ์มีสติต่อเนื่อง นี่เป็นสิ่งสำคัญให้รู้รู้ตัวรู้ตนรู้กายรู้จิตตัวตนของเราก็คือว่ากายกับจิตนี่แหละเป็นตัวตนโดยสมมุติแต่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นโดยสมมุติสมมุตมมิตว่าตนสมมุติว่าเรา ก็คือกายใจส อ, อย่างนี่เป็นฐานเพาะฉะนตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกใจตั้งใจฝึกใจตั้งใจฝึกกายตั้งใจฝึกวาจาเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความ แลลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจที่ท่านว่าจเจริญศีลให้ยิ่งจเจริญสมาธิให้ยิ่งจเจริญปัญญาให้ยิ่ง น, นี่ว่าธรรมะสามอย่างศีล ส, สมาธิปัญญา เป็นผู้มีความตั้งใจในการสังวรสํารว ม, มเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงให้เว้นทาตามข้อที่ทรงอนุ ญ, ญาตหรือปฏิบัติตามความเป็นธรรมที่ทรงสนรเสริญ ยังว่าในเบื้องต้นกับสติเป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะไม่ประมาทเล่นเล่อมีความตั้งใจอยู่ในทุกอิริยบทที่ท่านสอน เกี่ยวกับมลยาิเกี่ยวกับข้อปฏิบัติไม่ให้ล่วงเกินโทษจะพูดจะกล่าวทางวาจาจะเคลื่อนไหวไปมาทางร่างกายจะนึกคิดทาง จ, จิตใจให้รู้ทานทิงว่าให้รู้เท่ารู้ทัน จึงว่ารูปกายรูปวิจารู้ จ, ร จ, จิตใจความนึกคิดจะรู้ทันได้ก็ต้องมีความตั้งใจฝึกความระลึกรู้มันกำหนดเข้าทำความระลึกรู้ให้ต่อเนื่อง กับการเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็มาฝึกพิเศษและรึกรูที่เรียกว่าฝึกทาจิตใจให้มีสมาธิให้มีสติควบคุมด้วยคำบริกรรมด้วยการกาหนดรูหายใจเข้าหายใจออก กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดะระลึกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือนึกพุทโธพุทโธอันนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่เป็นถ้าไม่ฝึกไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปเองไม่ต้องฝึกก็คือการกา ร, การปล่อยการปล่อยจิตปล่อยใจ อันนั้นไม่ต้องฝึกมันมันเป็นธรรมชาติการปล่อยการเผลอเลอการไม่สํารวมน่มันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วธรรมชาติแห่งความไม่เป็นธรรมที่จะมาฝึกให้เป็นธรรมนี่ต้องฝึกต้องหัดต้องบังคับด้วยสติปัญญานี <c oughs> ่เช่ว่ามีสติรู้ ในกายเคลื่อนไหวไปมาสติรู้ในจิตความนึกคิดแล้วจะนึกคิดเรื่องอะไรรู้เท่ารู้ทันมีสติรู้ในความอยากที่เกิดขึ้นอยากมีความสุขเวลามีความทุกข์อยากให้ความทุกข์หายไป อยากให้มีแต่ความสุขความสบายเรียกว่ารูปรูปทันเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขะมัสุขายาเวทนาอาการแห่งความอยู่เฉยๆว่างๆของใจให้มีสติรู้เท่ารู้ทันเรียกว่ารู้เวทนารู้จิตความนึกคิด รู้ธรรมคือรูปอารมณ์อารมณ์มันจะเกิดสัมผัสกับใจอยู่เรื่อยๆเรียกว่าอารมณ์เป็นอาหารใจใจมีอารมณ์เป็นอาหารเป็นเครื่องสัมผัสรู้อารมณ์เรื่องอดีตบ้างที่ผ่านมาตั้งแต่เคยรู้สึกมีความจำได้หมายรู้ เรื่องนั่นเรื่องนี่มันจะเกิดเป็นอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ไม่พอใจมันจะเปลี่ยนชากันมาบาลุงใจหรือสัมผัสกับใจนะจึงว่าอารมณ์เป็นอาหารใจถ้าว่าอารมณ์เป็นที่น่ารักน่าชอบใจก็รู้สึกว่ามีความเ อ, อิบอิม่ม เบิกบานถ้าอารมณ์ที่ไม่เป็นที่รักที่ไม่ชอบใจรู้สึกมีอาการหดหู่นี่จึงว่าอารมณ์เป็นอาหารใจเนี่ยเป็นเช่นนั้นท่านจึงให้รู้ให้รู้ท่านอารมณ์อันใดที่เป็นไปเพื่อความคุณมัวเศร้าหมองก็ให้ทวนกระแส ยกอารมณ์ที่เป็นไปแห่งความเบิกบานแช่มชื้นในเรียกว่าทวนกระแสทวนกระแสอารมณ์ไม่ไหลาตามไม่ปล่อยให้ความรู้คือใจเนี่ยไปรู้ตามแล้วก็ไม่ปล่อยให้เป็นสังขารให้ปรุงไปแต่งเป็นสัญญาไปจำได้หมายรู้ตามอารมณ์ที่ ให้เกิดความขัดเคืองเศร้าหมองนี่การฝึกการฝึกให้รู้เท่าทัาน ท, ทมธรรมรมที่ท่านว่าให้รู้ทำอารมณ์เกิดกับใจอารมณ์อดีตหรืออารมณ์ขาดคเนไปในอนาคตหรืออารมณ์เกิดแต่เหตุที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อปฏิบัติคอยจัดการกับอารมณ์ที่จะเป็นอาหารของใจให้ดีก็รู้เท่ารู้ทันใจก็จะไม่มีภาระในการให้เกิดความเศร้าหมองนี่จึงว่าฝึกสติให้รู้กายเวทนา กิจธรรมไม่ให้หลงมันหลงมันไม่รู้เท่ารู้ทันนะ่ะก็เหมือนกันกันกบตกไปในอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างเบิกบานบ้างเศร้ามองบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่มันจะไม่ประสบพบความเบิกบานนั้นแท้จริงไม่ประสบพบความ สุขของใจอันแท้จริงพระท่านท่านจึงให้ฝึกให้สติรู้ในกายเวทนาจิตธรรมรู้เท่ารู้ทันนี่เป็นการปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติ ให้เกิดปัญญานี่มีอยู่มีอยู่เท่านั้นแหละปฏิบัติเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวธรรมปฏิบัติเพื่อเป็นไปในการทมที่สุดแห่งทุกขนี่ความหมายของคำว่าพฤทธธรรมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเพื่อให้เป็นธรรมไม่ให้เป็นอาธรรมถ้าเป็นอาธรรมคือหลงไปตามความนึกความคิดหลงไปตามความอยาก ถ, าถ้าปฏิบัติให้เป็นธรรมจะรู้ความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลรูล้ต้นรู้ปลายรู้เหตุรู้ผลรูล้ต้นรู้ประมาณ รูปการรูปเวลารูปสถานที่บุคคลรวมแล้วก็เรียกว่ามาปฏิบัติให้รู้กายรูปเท่าทันกายวิจัยใจของเราปีนาเข้าไปจนเข้าไปรู้ละเอียดเห็นกายวิจัยใจเป็นสมมุติทั้งหมด ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องนําออกนําออกจากความหลงนําออกจากความอยากนําออกจากความเร่าร้อนเมื่อมันประชุมรวมลงสู่ความเป็นธรรมมันเย็นมันเย็นมันสงบเพราะฉะันั้นเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติ กำหนดรูสร้างสตินี่แหละให้มันแก่กล้าให้มันต่อเนื่องกันสติต่อเนื่องกันสมาธิคือความตั้งมัน่นมันก็จะเป็นไปด้วยกันน่แล้วก็ปัญญาสอดส่องไข้ควรตัวตาดูตัวเองนี่ละดูกายดูจิตดูเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณความรับรู้รับทราบอยู่ภายในตัวของเราเองนี่เรียกว่าปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติต่อกายต่อใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อไข้ควรอยู่บ่อยๆวิตกวิจันณ์อยู่บ่อยๆหาเหตุหาผลสุดท้ายก็จะเข้าใจ ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วก็มันก็จะลูละ่ละลู่วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความยึดตัวถือตนที่ท่านเรียกว่าสากายทิธิความถือเราถือเขาถือกายถือจิตถือรู้ถือหลงมันก็จะไม่มีเมื่อมันเห็นแจ่มแจ้ง เข้าใจในสมมุติแจมแจ้งตามเป็นจริงแหละนี่จึงว่าปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อละเพื่อวางเพื่อว่างว่างจากตัวตนว่างจากทุกนี่ให้เอาอย่างนั้นไม่มีสิ่งอื่นดอกที่จะทำให้สมบูรณ์พูนผล ทำให้อิม่มทำให้เต็มมรึกเต็มอิม่มมีแต่สติสมาธิปัญญาชอบนี่เท่า น, นั้นละมันฝึกฝนอบรมยันขันแข็งจเจริญให้มากทำให้มากผลก็จะสัมผัสกับจิตกับใจของเรา เกินร่างกายมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละสมบัติคือกายมีร่างมีกายจะว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็เป็นทุกข์อย่านี้สุดท้ายเมื่อแก่เมือ่อชราคําค้าก็ยิ่งเพิ่มความลำบากเข้าไปเรื่องของกายเรื่องของธาต ขันที่เรามีอยู่นี่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันหนักพราฮเวปันจขันธาปันจขันธ์เป็นของหนักนี่ภายในกายของเราทีนี้าภายในใจสิ่งที่เป็นอารมณ์ไม่มีตัวตนน่ะอารมณ์แห่งความหลงเป็นของหนักอีกาอารมณ์แห่งความรู้ตามเป็นจริง เบาละวางวางได้นี่สรุปแล้วว่าให้ปฏิบัติตั้งใจทำ ส, ส, สติให้สมบูรณ์ทำสติให้สมบูรณ์ก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเพราะความมีสติสมบูรณ์ ก็จะได้งดเว้นทางกายทางวาจาในสิ่งที่เป็นโทษได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็สมาธิเมื่อสติสมบูรณ์สติระลึกรู้ต่อเนื่องคำว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่น ก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นในการที่จะรู้ตัวหรือว่าทำความรู้ความเห็นในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงกำลังแหงสมาธิก็จะแน่นหนามั่นคงจิตใจความรู้รู้นี่จะไม่มี สัญญาอารมณ์เป็นอุทจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญคิดอะไรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลรู้อะไรก็รู้ด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละเรียกว่าใจมีสมาธิใจมีสมาธิเป็นธรรมคุ้มครองเกินปัญญา แยกแยะจนมีเหตุมีผลลู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมมติแต่เรามาสมมติทั้งนั้นแหละสมมุติตัวสมมุติตน ส, สมมุติบุคคลเราเขาสมมุติโลกอันนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาสมมุติกันทั้งนั้นเมื่อมีปัญญารู้ความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นสมมุติตามเป็นจริง ก็จะเห็นทำรรแต่ละอย่างละอย่างเป็นปกติของเขางเห็นอนิจจังก็งไม่เที่ยงความแปลปวนแปลปวนเพราะอะไระทุกขังความทนอยู่ด้ยากแล้วก็ท ร, รมานก็จะรู้ความจรงิงอ น, นัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตบุคคลเราเขาขจะรู้จะเห็นด้วยปัญญาของเรา มันก็หมดความหนักน่วงด้วยการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่มีอุปทานไม่มีตันหาความทะเยอทะยานอยากภายในอูลูลูนี่แหละก็ได้ชื่อว่าระพิชธรรมปฏิบัติธรรมทำที่สุดแห่งทุก โดยชอบได้ด้วยการจเจริญสติสมาธิปัญญาเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มีเท่านั้น <N ee. S 1> หเห็นสิ่งเหล่านี้เ ห, <N ee> ห, เห็นการประพฤติปฏิบัตินี่แหละ <N ee> เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งตามรมคำสอนของพุทธเจ้าตามมขะปฏิปทามัชมะมัชมะปฏิปทา คือปฏิบัติสมาธิให้เกิดขึ้นสติให้ตั้งมั่นปัญญาให้รอบรู้น่เทานั้นแหละผลของมันก็หายทุกไม่มีทุกทั้งกายทั้งใจไม่มีดับทุกท์ทางกายทั้งใจด้วยมรรคปฏิปทาคือสติสมาธิปัญญา ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้กระทาบาเพ็ญมาเนี่ยโดยอตนาุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระธรรมผู้เป็นที่ได้ตรัส ธรรมะอันชอบพระธรรมคือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงด้วยเหตุและผลพระสงฆ์สาวกคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข อ, ขอจงรวมเป็น เดเป็นเดชะเป็นพระกำลังอันยิ่งใหญ่สนับสนุนดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รู้ ร, รมเห็นธรรมเข้าปฏิบัติธ ร, รมเข้าถึงธรรมอันแท้จริงให้มีความสุขกายสุขใจ